ผลหรืออนิสงของการทำทานที่ครบองค์ประกอบสามประการนั้นย่อมมีผลให้ได้ซึ่งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแม้ว่าจะไม่ได้เจตนาเอาไว้ล่วงหน้าก็ตามเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นผลที่สืบเนื่องมาจากเหตุเมื่อทำเหตุครบท้วนย่อมมีผลเกิดขึ้นตามมาเองเช่นเดียวกับปลูกต้นมะม่วงเมื่อรดน้ำพรวนดินและใส่ปุ๋ยไปตามธรรมดาเรื่อยไป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 และร่ำรวยในภายหลังซับสมบัติไม่วิบัติหายนะไปเพราะวินาศภัยโจรภัยอักขีภัยวาตภัยหรืออื่นๆแต่จะมั่งคั่งร่ำรวยในวัยใดย่อมสุดแล้วแต่ผลทานแต่ชาติก่อนๆจะส่งผลคือหนึ่งร่ำรวยตั้งแต่วัยต้นเพราะผลของทาน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 ไม่ยากจนแรนแค้นไม่ต้องขวนขวายหาเลี้ยงตนเองมากแต่ถ้าเจตนาไม่งามบริสุทธิ์พร้อมกันครบสามระยะแล้วผลทานก็ย่อมส่งผลให้ไม่สม่ำเสมอกันคือแม้ว่าจะร่ำรวยตั้งแต่ไวยต้นโดยเกิดมาบนกองเงินกองทองก็ตามหากในขณะที่กำลังลงมือทำทานเกิดจิตเศร้าหมองเพราะหวนคิดเสียดาย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 ยินดีในทานที่กำลังกระทาอยู่นั้นด้วยผลทานชนิดนี้ย่อมทำให้มาบังเกิดในตระกูลที่ยากจนคับแค้นต้องต่อสู้สร้างตนเองมาในวัยต้นครั้นเมื่ถึงวัยกลางคนกิจการหรือธุรกิจที่ทำก็จึงประสบความสําเร็จรุ่งเรืองและหากเจตนาในการทำทานได้งามบริสุทธิ์ในระยะที่สามด้วย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 3. ร่ารวยปัจฉิมวัวคือร่ารวยในบ้านปลายชีวิตนั้นสืบเนื่องมาจากผลทานที่ผู้กระทามีเจตนาไม่งามไม่บริสุทธิ์ในระยะแรกและระยะที่สองแต่งามบริสุทธิ์เฉพาะในระยะที่สามกล่าวคือก่อนและในขณะที่ลงมือทำทานอยู่นั้นก็มิได้มีจิตสมณะยินดีในการทำทานนั้นแต่อย่างใด ะได้ทำลงไปโดยบังเอิญเช่นทำตามๆพวกพ้องไปอย่างเสียไม่ได้แต่เมื่อได้ทำไปแล้วต่อมาหวนคิดถึงผลทานนั้นก็เกิดจิตโสมนัสร่าเริงยินดีเบิกบานหากผลทานชนิดนี้จะน้อมนำให้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเกิดในตระกูลที่ยากจนคับแค้นต้องต่อสู้ดิ้นรนศึกษาเล่าเรียนและขวนขวายสร้างตนเองมาก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 ก็มีให้เห็นเป็นตัวอย่างอยู่มาก